กเราชาวธรรมยตราก็เปรียบเหมือนกับเรือนนะหรือนาวาธรรมยตรานาวานี่ก็เราก็เริ่มต้นออกเดินทางตั้งแต่วัดภูเขาทอง ท, องทามาไฟหวางเราบจอด เทียบท่าแต่ละวันแต่ละวันไม่ซ้ำกันจุดหมายปลายทางก็มีอยู่ในเรือลำนี้นะที่ชื่อว่าธรรมยัตตรานาวาก็มีคนมากมายหลากหลายสามร้อยกว่าคน จะว่าเปแล้วนี่ปริมาณมากเป็นสองเท่าของชาวบ้านที่นี่แล่ทีเดียวไม่น้อยเลยชาวบ้านที่นี่ประมาณร้อยหกสิบาคนเรานี่สาม้อยสี่สิบสาม้ยห้าสิบแล้วมั้งนีไม่ใช่มากอย่างเดียวนะมีความหลากหลายด้วยทั้งวัยทั้งเพศทั้งภูมิหลังและประสบการณ์ เรือลนี้จะไปถึงที่หมายได้เนี่ยก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้แปลว่าคิดเหมือนกันแต่ว่ามีใจเดียวกันาใจเดียวกันในที่นี้เนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันเท่านั้นแต่ว่า จะหมายถึงความรู้สึกเอื้อเฟืเ้อเกื้อกูลกันแต่กระตามที่เรามีความรู้สึกเอื้อเฟืเ้อเกื้อกูลกันก็จะรู้สึกถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทําให้ เรือลำนี้เนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางได้มันมีสํานวนณ์ว่าลงเรือลำเดียวกันลงเรือลำเดียวกันก็หมายความว่าเรามีชะตากรรมร่วมกันไปต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอะไรความทุกข์ใดที่เกิดกับเพื่อนของเรามันก็เหมือนกับว่าเป็นความทุกข์ที่เกิด กับเราด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องช่วยเหลือกันที่จริงทีว่าไปแล้วเนี่ยประชากรโลกทั้งหลายเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับลงเรือลำเดียวกันนะโลกใบนี้เนี่ยบางทีคนก็เรียกว่าเป็นยานอาวตารถ้าเรามองจากดวงจันทร์ก็จะเห็นโลก สีครามลอยเช้งเต้งอยู่กลางอาวงกาศแล้วก็ไม่ได้ลอยเฉย น, นะมีการเคลื่อนไหวด้วยคนที่ก็มองเห็นโลกจากมุมนี้เนี่ยก็ยจะรู้สึกเลยว่าโลกนี่เหมือนกับเป็นเป็นเรือเป็นยาน แล้วคนทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาก็เหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในเรือลาเดียวกันที่มีชะตากรรมร่วมกันซึ่งตอนนี้มันก็เห็นชัดนะชะตากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จำแนกไม่ได้จำกัดว่า เกิดที่นั่นทีน่นีเท่านั้นนะมันเกิดขึ้นทั้งโลกเช่นเมื่อโลกร้อนเนี่ยก็ดืดร้อนกันเป็นหมดเกิดความผันฝนเปลป่นแปรของภูมิอากาศกระเทือนเป็นหมดถึงแม้ว่าอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างนะแต่ว่าจุดรูวกว่าคล้ายกันเช่น น้ำขาดแคนลนเกลือสาบบางแห่งก็แห้งเหือดอันนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่มันใช้อย่างไม่บรรยัญญบบรรยำด้วยแต่ส่วนสำคัญแล้วก็เกิดจากความผันผวนแปรปรวนงธรรมชาติโรคระบาดก็มีมากขึ้นนะโดยเฉพาะโรคเขตร้อนนะเพราะว่าพื้นที่ที่มันร้อนมันกระจายตัว ขึ้นเหนือแล้วก็ลงใต้น้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพืชพันธัญญาหาที่ลดน้อยถอยลงเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของนินส้าอากาศและน้ำท่าอันนี้ก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนในโลกนี้เหมือนกันหมด แต่ว่าคนในโลกก็ยังไม่ได้ตะหนักนะว่าไม่ได้ตะหนักเพียงพอว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันนะต้องช่วยเหลือกันก็ยังทะเลาะบ่าแวงกันอ้างเหตุผลความแตกต่างทางภาษาทางศ า, า, า, ง า, าสนาทางรัฐิบุคล ก, การทางเชื้อชาติแล้วก็เส้นเขตแดนนะมันก็คงคล้ายๆกับรถ รถโดยสารที่กำลังแล่นด้วยความเร็วสูงลงจากภูเขาแล้วก็เบื้องหน้านี่คือเหวเหว ล, ลึกด้วยแต่แทนที่คนในรถนี้จะพยายามช่วยเหลือกันว่าทำไงจะแก้ ย, ยังรถคันนี้ให้ได้เพราะว่าเปลมันแตกแทนะที่จะช่วยกันคิดหาวิธี จะหยุดยั้งรถแม่เหตตตกลงเหวเนี่ก็กลับมาทะเลาะ ก, กันดึกผ่านคนในรถเนี่ยทะเลาะ ก, กันบางก็อยากจะเป็นคนขับคนขับก่าวไม่ดีฉันจะเป็นคนขับแทนบ้างก็ทะเลาะ ก, กันซึ่งกันและงกันเพราะว่าเหม็นหน้ากันด้วยเหตุผลพราะวาความคิดไม่ตรงกันก็มีคนรู้นะว่า ที่จริงทุกคนก็ถ้าเฉลร็วใจหรือว่าถ้าหยุดคิดสังหน่อยก็จะรู้ว่ารถมันกำลังจะลงเหวนะแต่ว่าอันนั้นเป็นเป็นปัญหาข้างหน้าปัญหาหรอยะไ ก, กลเนเขาคิดแบบนั้นเฉพาะหน้าตอนนี้ฉันขอทะเลาะ ก, กันก่อนเพราะว่าเหม็นหน้าหรือว่าขุนเคืองใจนะบางก็แย่งชีงเอาเงิน จากกระเป๋าของอีกคนหนึ่งบางก็ย่งจริงโทรศัพท์บ้างก็ทะเลาะบอกแวงกันด้วยเหตุผลทางความคิดที่แตกต่างกันาศาสนาบางการเมืองบ้างอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกทั้งโลกนะในที่จริงก็เกิดขึ้นกับประเทศทุกประเทศด้วยรวมทั้งประเทศไทยแต่ว่า สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาของธรรมยัตราเพราะว่าเรามีความตระหนักร่วมกันถึงภาระหน้าที่เรามีจุดหมายเดียวกันอันนี้ชัดเจนให้จุดหมายที่มีด้วยกันตรงกันเนี่ย แล้วก็ตระหนักว่าเราเหมือนกับว่าลงเลรือลำเดียวกันเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราไม่ทะเลาะเบาแ้งกันแต่ว่าจะเป็นการดีที่ช่วยทำให้การเดินทางของเราราบรื่นมากขึ้นถ้าว่าเรามีความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันใส่ใจกัน อันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นเป็นภารกิจอย่างหนึ่งนะของชาวธรรมยัตรา้นะก็คือดูแลช่วยเหลือกันใส่ใจกันแม้ว่าจะมาจากคนละที่คนละทางดูแลใส่ใจกันนะทั้งในเรื่องการกินการอยู่เรื่องอาหารเรื่องที่พักการใช้น้ำการใช้ห้องส้วม ถ้าเรามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะการเดินทางร่วมกันก็เป็นประสบการณ์ <c oughs> ก็จะให้ประสบการณ์ที่ดีนะทาให้เกิดความสุขทาให้เกิดความประทับใจ <c oughs> และทำให้มีกำลังใจขึ้นนะในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคข้างหน้า ซึ่งก็ยังมีอยู่มากมายนะเส้นทางที่ยาวไกลแดดที่ร้อนนะหรือว่าบางทีอาจจะเกิดฝนดิน้าการไม่เป็นใจแต่พวกนี้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปทันทีหากว่าเรามีความสามัคคีกลงเกลียวหรือความเกื้อเฟื้อเื้อเกื้อกุณ ก, กัน ดูแลใจใสกันอลไรก็ตามนะจะทำางนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองอย่างน้อยก็เพิ่มให้เป็นภาระไม่ให้เป็นปัญหาแล้วก็บุญกุณนะดูแลกายดูแลใจถ้าเราไม่ดูแลกาย เราก็สามารถจะเป็นภาระให้กับหมู่คณะก็อาจจะเป็นตัวนวลเหนียวนวงเหนียวหรือว่าฉุดรั้งนหมู่คณะได้แต่ที่สงคัญก็คือการดูแลจิตใจเพราะถ้าเราไม่ดูแลใจให้ดีเราก็จะสร้างปัญหาให้กับหมู่คณะได้มากมาย เช่นปล่อยให้ความโกรธเข้ามาครอบงำใจมาจจะเริ่มต้นจากความไม่พอใจเล็ก ๆ, ๆน้อยๆแล้วก็กลายเป็นความหงุดหงิดขุณเคืองแล้วก็โกรธอาจจะเพราะได้ยินคาพูดบางคำได้เห็นการกระทำบางอย่างอาจจะเป็นครั้งช่วครั้งชั่วคราหรือว่าทำบ่อยๆทีที เจกนกระทั่งโมโหพอโมโหแล้วก็ จ, จะพูดหรือทำในสิ่งที่ก่อความทุกข์แก่ผู้อื่นพยายามดูแลจิตใจตัวให้ดีอย่าให้ความทุกข์มันมาก่อกลุ่มใจมากเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมีพอมีความทุกข์ในใจแล้วอดไม่ได้ที่จะระบายความทุกข์ใส่คนอื่น เพราฉะนั้นเนการดูแลตนก็เป็นส่วนของการช่วยเหลือบุคคณะด้วยพุทธาช่างใช้คําว่ารักษาตนเมื่อรักษาตนก็ได้ก็เท่าก็ได้ชื่อว่ารักษาผู้อื่นหรือพูดง่ายๆคือเมื่อรักษาตนดูแลตนก็เท่ากับดูแลช่วยเหลือผู้อื่น แต่ในวเวลาเดียวกันเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการช่วยเหลือตนเองไปด้วยตั้นใช้คาว่าเมื่อรักษาผู้อื่นก็เท่ากับว่าหรือได้ชื่อว่ารักษาตนมันไม่ได้แยกกันนะเรากับผู้อื่นถ้าเราดูแลตนดีดูแลรักษา กายรักษาใจให้ดีก็เป็นการช่วยหมู่คณะสองอย่างนี้ก็ต้องไปด้วยกันบางคนมีเจตนาดีนะเอาใจใส่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าลืมดูแลใจลืมดูแลตนช่วยจกนกระทั่งเครียดนะ ช่วยจนกระทั่งขุนเครืองบางทีก็ไม่ไหวล้ะก็ไม่กล้าปฏิเสธก็ยังรับอีกนะรับจนกระทั่งกุ้มหมอกุ่มใจเพราะว่าทำได้ไม่ดีสักอย่างหรือว่าทำแต่ของคนอื่นแต่ของตัวเองไม่ได้ทำก็เครียดวิตกกังวลหงุดหงิดพอ มากมากเขาก็ระเบิดนะแล้วปริแตกพอปริแตกนี่ก็เป็นเรื่องแล้วนะก็เกิดความคุณข้องหมองใจหรือว่าทะเลาะวิวาทตนอันนี้ก็เริ่มต้วจความป่ารถนาดีนะอยากช่วยเขาช่วยช่วยแต่ว่าแบกรับภาระตนเกิดความสามารถของตนแล้วก็เลยสติแตก เราก็จะเห็นเอตกรรม์อนี้เกิดขึ้นนะในหมู่เพื่อนฝูงในครอบครัวในบ้านในระหว่างคนรักนะดูแลใส่ใจคนอื่นมากแต่ลืมดูแลใจตัวเองแล้วก็เห็นคนเหตุกรรม์อันนี้เกิดขึ้นคนที่มีอุดมคติใหญ่ช่วยเหลือสังคมอยญ่ยช่วยเหลือประเทศชาติ กะทุ่มเทลงทำงานหนักจะสุดท้ายก็เสียสูนพอเสียศูนย์นี่ก็สร้างปัญหาให้กับผู้คนบางทีก็ไม่เชิงเสียสู น, นแต่ว่าปล่อยปล่อยให้กิเลสเข้ามาคร่อบงำทำไปทำไปก็เกิดความมักใหญ่ไฟสูงเกิดความยึดติดถือมั่นในตัวตนเกิดอีโก ตาไปทำไปอิโก้ซึ่งเป็นกิเลสแบบหนึ่งนะอัตตาตัวตนแล้วก็เพิ่มผูกมากขึ้นจนกระทั่งทนคนที่คิดต่างจากตนไม่ได้เห็นต่างจากตนไม่ได้เห็นเป็นศัตรูเป็นหมดแม้แแม้ว่าจะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันสู้รบเคียงไหลมาด้วยกันแต่สุดท้ายก็กลายเป็นสร้างปัญหา ตัวอย่างวีเยอะนะอันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าดูแลคนอื่นหรว่าใส่ใจส่วนรวมจนลืมดูแลตัวเองกิเลสเนี่ยตัณหามานัาทิธิเนี่ยคนนี้นเป็นกิเลสเนะมันก็คอยจะเล่นงานใจเราอยู่แล้วเผลอเมื่มอไหร่มันก็เข้ามาก่อปุใจ แล้วก็สามารถทำให้เรากลายเป็นตัวปัญหาหรือกลายเป็นคนชั่วร้ายได้ท่า น, นทั้งที่เจตนาอยากจะเป็นคนดีหรือท่านทั้งที่ทำดีมากมายแต่ว่าเกิดความหลงตัวลุมตนพอหลงตัวลุมตนเมื่อไหร่นี่ก็เสจเลยนะหลงตัวฉันเป็นคนดีฉันเป็นผู้เสสหลัก ก็กลายเป็นจอมเดกการหรือว่ากลายเป็นทราราชได้ง่ายๆถ้าคนทราราชระดับโลกอย่างเมาเจอตรงหรือว่าสตาลินผ่อนฟดในพวกนี้นี่พวนี้ก็เริ่มต้นด้วยเจตนาที่ดีอยากจะทำช่วยเหลือผู้คนสังคมแต่สุดท้ายก็ กลายเป็นผู้ที่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติหรือประชาชนที่ตัวเองอ้างว่าอุทิศตนให้ในกระบวนการสืบแวดลอ้อมนี่มันก็มีปรากฏการณ์ทำนองนี้นะก็คืออุทิศ ต, ตัวเพื่อจะช่วยรักษาปกป้องป่าเ <c oughs> นี่ยมันมีองค์กรเยอะแยะนะ เรื่าเป็นองค์กรปลดแอนนะให้กับต้นไม้ก็มีปลดแอนให้ธรรมชาติก็มีอย่างมีองค์กรชื่ออะไรแนวร่วมปลดปล่อยต้นไม้นะ t e <c oughs> Liberation Front <c oughs> นะโอ้ที่ตั ว, วต้นไม้มากเลยนะรักษา ป, ป่ายอมตายนะ <c oughs> ก็จะมาตัดต้นไม้นี้เอาตัวขวางเลยนะ <c oughs> บางทีก็ไปห้อยแฝงอยู่ข้างบนต้นไม้ อยู่บนนั้นแหละเป็นเดือนเดือนแปลว่าถ้าใครมาตัดต้นไม้เขาก็จะต้องตายไพร้อกต้นไม้ซึ่งก็จะกลเป็นปัญหาในอเมริกานี้ถ้าใครคนตายเพราะเหตุแบบนี้มันเรื่องมันวุ่นวายมากเลยทั้งเสียคะแนนนิยมทั้งมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายสู้ไปสู้ไปสู้ไม่ไหวก็จัดตั้งนะกลุ่ก่อการล้ายเลยนะปลาระเบิด หรือว่ารอดทำร้าย่คนที่มาตัดต้นไม้กลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายน้อยๆไปเลยนะสามารถจะข่าคนได้นะเพื่อตรักษาต้นไม้ไปนึงขนาดนี้เลยนะหรือกลุ่มที่ทํัทเสิที่ของสัตว์เนี่ยพยายามปลดปล่อยสัตว์ที่ถูกจับอยู่ในห้องทดลองเนี่ย ทำไม่ได้นี่ก็ต้องใช้อาวุธเลยนะถ้าจะต้องยิงต้องฆ่านี่ก็ทำนะวางระเบิดนี่ก็ทำเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าทำไปทาไปนี่ไปยึดติดถือมั่นกับความคิดมากลืมดูใจตัวเองคิ่ว่าตัวเองทำอะไรนี่ถูกหมดเมื่อตัวเองทำจุดุงหมายถูกต้องแล้วใช้วิธีการอะไรก็ได้ ถึงมู่งหมายถูกต้องเราใช้วิธีการอะไรก็ได้มีบางกลุ่มต่อต้านการทำแท้งในอเมริกาก็พยายามไปขวางไม่ให้คนมาใช้บริการในคลินิกทำแท้งในบางรัฐีนคลินิกทำแท้งเขาทำได้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็พยายามไปขวางกั้นไม่ให้คนไปใช้บริการที่คลินิกกลุ่มนี้เรียกตัวว่าเป็นพวกเชิดชูชีวิตนะโปรไลน์โปรไล์ line, line. แปลว่าเชิดชูชีวิตแต่ทำแล้วทำแล้วก็ไม่ได้ผลคนก็ยังไปทำแท้งกันในคลินิกเหล่านี้ก็เลยขู่ขู่อขู่พยาบาลคู่ไม่สำเร็จ นะโมโหมากบุกเข้าไปยิงปืนบุกเข้าไปยิงนะหมอพยาบาลตายทำเพื่อปกป้องชีวิตนะนะทำเพื่อปกป้องชีวิตไม่ให้มีการฆ่าเด็กในท้องแต่ว่าตัวองนี้พร้อมจะฆ่าคนอื่นได้ในานามของการเชิดชูชีวิตนะ pro l นะนี่เป็นเรื่องความ ยึดติดถือมันในความคิดอุดมการมากพอมันยึดมากๆนี่ก็สามารถทําสิ่งตรงข้ามได้นะเชื่อชูชีวิตปฏิเสธการฆ่าย้อนรับการฆ่าไปได้เพราะนั้นจึงต่อต้านการทําแท้งแต่รตัวเองก็ไปฆ่าคนเองเพื่อเพื่อไม่ให้มีการฆ่าแปลกดีนะฆ่าคนเพื่อไม่ให้มีการฆ่าอันนี้มันลืมตัวนะ แต่ผู้อย่างงี้คือว่าไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้รักษาใจตัวเองคิดแต่จะช่วยคนอื่นนะจนลืมดูใจตัวเองแล้วพวกเราเนี่ยก็ <c oughs> ก็ถือเอาสิ่งนี้มาบทเรียนนะถึงแม้ว่าเราคงจะไม่ได้จะ คิดใช้วิธีรูนแรงแบบนั้นนะแต่เพียงแค่คุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็ไปด่าว่าคนอื่นอันนี้ก็ก่อให้เกิดผลเสียแล้วแต่มันไม่ใช่เพียงแค่ทำลายประโยชน์ท่านเท่านั้นนะมันยังเป็นการทำลายตัวเองด้วยการดูแลจิตใจตัวเองในที่นี้เนี่ยก็รวมไปถึงว่า รักษาใจไม่ให้ทุกข์นะหว่างที่เราเดินธรมยาตราถ้าเราวางใจไม่เป็นไม่ดูแลใจของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีความคิดอกุศลต่างๆความคิดลบต่างๆที่มาชิ่มแทงจิตใจซึ่งอันนี้ก็ได้พูดไปหลายครั้งเนะช่นเพียงแค่เราไปเอาใจไปจดจ่อยที่จุดหมายปลายทางตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่โน่นแล้ว อย่างเมื่อวานนี้บางคนตัวก็เพิ่งออกจากบ้านทรับสมบูรณ์แต่ว่าใจนี่ไปแล้วนะถึงบ้านหนองกวางนั่เดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีนะก็ทุกหงุดหงิดเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยอันนี้เราไม่รักษาตนนะก็คือว่าซ้ำเติมตัวเองคนเราถ้าจะเหนื่อยก็ควรจะเหนื่อยอย่างเดียวนะ ก็คือเหนื่อยกายนะแต่ว่าอย่าให้ใจเหนื่อยถ้าจะปวดจะเมื่อยก็ปวดเมื่อยอย่างเดียวคือปวดเมื่อยกายปวดเมื่อยเท้านะแต่ว่าอย่าให้ใจทุกไปด้วยอย่าให้ใจปวดเมื่อยไปด้วยถ้าเราสั่งใจตรวเองดีๆเนี่ยเราจะเหนื่อยอย่างเดียวเราจะปวดอย่างเดียวนจะไม่ปวดสองปวดสามหรือเหนื่อยสองอย่างเหนื่อยสามอย่าง รักษ า, าใจให้ดีใจอยู่กับปัจจุบันให้เราลึกว่านะจุดหมายเนี่ยมันไม่ได้ที่ปลายทางนะจุดหมายที่ปลายเท้าจุดหมายที่ปลายเท้านะสนใจกับแต่ละเก้าตารางเก้าอย่างที่เล่าให้ฟังนะตั้งแต่ว่าแรกๆเลยนะว่านับเป็นเขาที่เก่งที่ชัดเจนช่ำชองนี่เมื่อเขาจะปีนขเขาก็จะไม่สนใจ ยอดเขาที่จะไปให้ถึงแต่ก็จะสนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวเดินไปทีละก้าวอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหรือว่าเป็นวิธีการสําคัญนะของหลายคนที่สามารถทําสิ่งยากสิ่งระบายสําเร็จได้เมื่อสักตือนที่แล้วมังมีหนังเรื่องหนิงฉายเข้าฉายในโรงนะแต่ได้ข่าวว่ามันเข้าไปได้ไม่นานชื่อหนังก็คือ The Walk เดินวอล์กว่าเดินจะไม่เห็นเดินบนพื้นธรรมดานะเดินบนรวดเดินบนเชือกที่ขึงอยู่สูงจากพื้นดิน 4-500 เมตรเป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเขาถ่ายทอดเรื่องราวของหนุ่มฝรั่งเศสคนหนึ่งนะชื่อฟรลิเกปตีซึ่งเขามีความไฝ่ฝันตอนที่รู้ว่ามีการสร้างตึก World Trade Center ใหม่ๆเมื่อ สักสี่สิบห้าิบปีมาแล้วมันไมนตึกในฝันมากเพราะว่าเป็นตึกแฝดแล้วยอดของตึกทั้งสองเนี่ยมันเท่ากันมันสูงเท่ากันหาตึกแบบนี้ไม่ได้แล้วนะยอดตึกสูงเท่ากันเนะี่ยสูงเท่ากันมีความหมายยังไงมีความหมายเพราะว่าถ้าเขาขึงเชือกระหว่างยอดตึกทั้งสองเนี่ยมันจะได้ระดับเดียวกันซึ่งทําให้เขาสามารถจะเดินไต่ลวดได้สบา ย, ย, ยเขาก็รอจนสร้างเสร็จนะ รางเสร็จยังไม่เปิดนะเขาก็แอบเข้าไปในตึกนี้ตอนกลางคืนและตอนเช้าเนี่ยพออากาศเริ่มจะพอเริ่มจะสว่างแสงเงินแสงทองเริ่มปรากฏ่าก็ก็ขึงเชือกใช้ธนูเนี่ยยิงเชือกเพื่อให้ไปยึดกับอี ก, อ, กอีกตึกหนึ่งแล้วขึงเชือกให้ตึงไปรวดสลิงนะ คือว่าเทรนมาสูงจากพื้นดินประมาณ400เมตรแล้วก็ยอดตึกแฝนนี่ก็ห่างประมาณสัก70หรือประมาณ50หรือ70เมตรเนี่ยแล้วพอสว่างนี่เขาก็เริ่มต้นเดินเขาเดินตัวเปล่านะไม่มีเชือกไม่มีเชือกผูกเอาไว้เลยนะนั่นแปลว่าถ้าตกมาก็ตายแล้วเขาก็มีมีแค่ ไมย้ยาวเพื่อถือเ อ, เอาไว้เลี้ยงตัวตอนที่เขาเริ่มเดินเนี่ยคนข้างล่างก็เห็นก็ตกใจไปเรียกตำรวจแจ้งตำรวจตำรวจก็ขึ้นมาบนตึกแล้วก็รอจับเขาแต่เขาไม่สนใจนะเขาก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปถึงปลายตึกปีกฟ้าหนึ่ง เท่านั้นไม่พอนะเขาก็โดดกลับกระโดดหันหลังกลับแล้วก็มาเดินเดินต่อตำรวจก็รออยู่ข้างหน้าพอตำรวจจะพอเขาเดินใกล้จะถึงอีกอีกฟากหนึ่งตำรวจก็รอยอยู่เขาก็กระโดดหันหลังกลับแล้วก็เดินต่อไปอีกก็ทําทยู่อยู่เจ็ดเที่ยวนะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีระหว่างที่เดินนี่บางทีเขาก็ ผูเขาเหมือนกับคารวะคนชมที่อยู่ข้างล่างนะฮะเป็นพันนะผู้สื่อข่าวมากันเพียบเลยบางทีเขาก็นอนราบนะมองฟ้าไม่รู้ข่าคุณท้องฟ้าหรือเปล่าไอ้หนังเรื่องเดอวอลกนี่มันก็ถ่ายทอดตอนนี้แหละนะเขาก็เดินจนต่ำใจแล้วแล้วเขาก็เดินไปให้ตำรวจจับ เมื่อเขาถูกจับผู้สื่อข่าว้าไปถามเขาว่าตอนที่เดินเนี่ยคุณคุณเดินได้ยังไงคุณคิดอะไรอยู่้คุณคิดในคุณคิดยังไงเขบอกตอนเดินเนี่ยผมไม่ได้สนใจไอ้จุดหมายข้างหน้าเลยนะผมเพียงแต่ว่าผมเพียงแต่ว่าขยับขาขวาให้มันอยู่หน้าขวาซ้าย ขยับเท้าซ้ายให้มันอยู่หน้าเท้าขวาแล้วก็ขยับเท้าขวาให้อยู่หน้าเท้าซ้ายแค่นี้แหละนะดูง่ายนะแต่นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถจะเดินไต่ลวดเสี่ยงอันตรายไปได้เราไม่สนใจจุดหมายไม่สนใจข้างล่างว่าตกมาแล้วถ้าเกิดเดินพลาดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเคิดแบบนั้นเขาก็ใจเสียเพราะสนใจเพียงแค่ เดินทีลก้าทีล9ก้าวหรือผู้ยังก็คือว่าจุดหมายเขาอยู่ที่ปลายเท้าจุดหมายเขาที่ปลายเท้า้ชีวยคนเรานี่บางทีก็ไม่ต่างจากการเดินบนเส้นลวด น, นะคือถ้าพลาดก็ตายเวลาขับรถเนี่ยมันก็ไม่ตายจากการเดินบนเส้นลวด น, นะเพราะถ้าเราพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดอุบัติเหตุ แต่ว่าถ้าเรารักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันน้อมใจแล้วอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่ว่าเส้นทางมันจะยาวไกลแค่ไหนอย่าไปสนใจปลายทางให้ถึงว่าจุดหมายที่ปลายเท้าเดินไปเดินไปาทางจะใกล้จุดหมายจะใกล้หรือไกลให้ใจอยู่กับปัจจุบัน แล้วมันก็จะไปได้บางทีหลายคนใจเสียนะพอเห็นพอเห็นพอรู้ว่าจุดหมายอยู่ต้องโน่นอยู่ลิบๆเนี่ยนะที่ตัวเองก็เหนื่อยแล้วทางก็แย่แกลววก็เยอะถ้าเดินเท้าปล่าแดกก็ร้อนใจเสียทันทีแ้วเกิดเราลึกว่าเออกล้าข้างหน้าเราไปไหวไหม กล้าข้างหน้าไหวก็ไปคิด แ, แค่นี้ก็พอหรือว่าถ้าหากว่าเพิ่งเริ่มเดินลองถามเ้วยอือชั่วโมงนี้เราไหวไหมชั่วโมงนี้เราไหวก็ไปจะไปสนใจสามสี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วเราก็จะพบว่าเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอเริ่มนึกถึงจุดหมายปลายทาง ก็พบว่ามันถึงเร็วกว่ที่คิดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาใจอย่างหนึ่งนะที่มันจะช่วยทำให้เราไม่ทุกขนะ์ในทเํเลของธรองเดียวกันเวลามีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยตรงก็เช่นมีการพูดคุยกันโดยอ้อมก็เช่นว่าเห็นคนนั้นคนที่ทำนั่นทำนี่ มีความไม่พอใจอะไรมีความมึนอึอะไรก็ให้รู้ทันอย่าให้มันมารบกวนังควาจิตใจอย่าให้มันมาฝังรากอยู่ในใจเราเพราะไม่งั้นมันจะมันจะลุกลามมันจะระบาดจนครอบงาใจเราและถึงตอนนั้นเราก็จะลืมตัวเราก็จะห้ามใจไม่อยู่คิดอะไรก็ทำเลยพูดเลยและส่วนใหญ่ก็จะคิดลบคิดตาย ก็จะพูดรบพูดลาย <c oughs> ให้ลองนะเราสาใจแบบนี้ดูให้ถือว่านี้เป็นการฝึกใ <c oughs> ้จุดเมื่อมาของ ช, ชีวิตเราอย่างที่พูดนะเมื่อสองวันก่อนคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์น <c oughs> ก็ให้เราลองพยายามทดลองทำเนี่ยในระหว่างที่เดินธรรมญานตราโดยเพราะวันนี้นะคนก็จะมาเยอะขึ้นนะบางคนจะเป็นคนใหม่ที่ไม่รู้อะไรบางคนมาดูก็จะคุย เราตั้งใจจะเดินด้วยความสงบแต่ว่าคนข้างข้าคุยบางทีก็เล่นกันอะไรเงี้ยเราก็ดูใจของเราไปนะถ้าจะแนะนำก็แนะนำด้วยปิยะวาจานะให้เขารู้ว่า เ, ออเดินด้วยความสงบนะอย่าไปใช้อารมณ์นะอันนี้เราว่ารักษาใจให้สงบเย็นแล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยกค็คือการแนะนำ แนะนำเพื่อนร่วมทางที่ลงเรือลาเดียวกันอันนี้เป็นการบ้านนะที่ให้เราลองทำดูถ้าเราอยากจะให้ช่วยเราเป็นช่วที่สงบ เ, เป็นประโยชน์เราก็ต้องต้องต้องทำให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงที่นี่เดี๋ยวนี้หรือว่าในการเดินธรรมยาตตานี้ละชานี้ก็เพื่อเท่านี้นะครับค่ะ Thank you.